บทที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดในขณะที่ต่างฝ่ายต่างคุมเชิงทหารมาและพลเดินเท้าในจำนวนเดิมประมาณสามสิบคนห้อมล้อมเหล่าเลยซึ่งบัดนี้รหัสสยะผู้ถูกชายันกระชากลงมาจากหลังมา้ามาเดินอยู่ใจกลางเป็นไข่แดงพร้อมทั้งกุตมะซึ่งนั่งอยู่บนเสลียงคาหางทั้งหมดเดินช้าๆตรงไปยังตาแหน่งที่ล้อมรอบไปด้วยพันพฤกษชาต อันปลูกไว้อย่างงามตานั้นเชษฐาไม่มีความเกรงใจใดๆให้แก่อุปราชพระอนุชาผู้โอหังอีกแล้วเขาเดินเข้าไปดึงดาบออกมาจากฝากข้างเอวของรหัสยะพร้อมทั้งมีดสั้นด้ามประดับเพชรพลอยสมฐานะของพระอนุชาผู้ครองแผ่นดินออกมาและส่งดาบเล่มนั้นไปให้ขยินถือไว้ส่วนมีดสั้นเสียบฝากเ ไ, ไว้กบับเป้หลังของบุญคาเป็นการปลดอาวุธกันอย่างซึ่งซึ่งน่า รหัสยสไม่อาจาขัดขืนอย่างใดไ ด, ได้เพราะปากกระบอกปืนของชายันกดติดหลังอยู่ตลอดเวลาจอมทัพผู้หรือโหดเสแยยิ้มอย่างเต็มไปได้วยความหมายปลายหางตาคมประดุดเ ย, ยว่มองหน้าท่านหัวหน้าคณะเหมือนจะฝากรอยอาฆาตมาต ร, รายไว้แต่ก็ไม่กล่าวคำใดทั้งสิ้์ส่วนกุตมะนั้นอยู่ในอาการนิ่งเฉยจนดูไม่ออกอาการประดุดน้านิ่งไหลลึกของกุตมะผู้เท่า เป็นสิ่งที่ฝ่ายเฉลยหวาดระแวงและพึงต้องระมัดระวังซ้ยิ่งกว่ารหัสสยะมากนะักขยินนั้นได้จับดาบของชาวมรกตเป็นครั้งแรกก็ดดอกหาน้ำหนักแล้วควงอ ย, ย่างย่ำใจดาบของไอ้พวกนี้น้ำหนักอุ้มกระชับมือดีแท้ดีกว่าดาบเดินป่าของพวกขยินหลายเท่านักเย่าว่าแต่ขอคนเลยต่อให้คอมาก็าขาดสองท่อนถ้าหดลงไป รหัสยสได้ยินและดูเหมือนจะเกิดอารมณ์ขันหรือมิฉะนั้นก็นึกยามอะไรขึ้นมาในใจตอบคำขยินมาพร้อมกับอาการยิ้มที่ทุกคนยอมรับว่าน่ากลัวว่าจ้าถอยเด้นตายจงรู้ไว้เถิดว่าดาบของทหารหลวงมรกนครทุกเล่มนักกรกล้ายิ่งนักและถ้ามันประสานกระดาบเล่มบางๆของพวกเจ้าเมื่อไรไม่นานทั้งตัวประกันฉเฉลย และทหารผู้ควบคุมอยู่ด้านนอกก็บรรลุที่หมายเชษฐาผู้บัดนี้ซึ่งทุกคนมอบควบเพื่อนพาอยู่ด น, นอ ก, นอ ก, นอกเขาทั้งประกันเพียงสองคนเท่าอหัศยะมองไปสบตา ก, กุตตมะเชิงหารือซึ่งก็เห็นขุนพลเท่าเจ้าปัญญาพยักหน้าให้นิดนึงเชิงยอมจึงร้องบอกกับทหารผู้คุมเหล่านั้นให้กระจายกาลังล้อมตาหนักไว้และเชษฐาก็บอกให้รหรัศยานาขึ้นบันไดตาหนักนกาลัางลอาไป มันเป็นตํนักที่ไม่ใหญ่โตนักแต่แข็งแรงมั่นคงยิ่งพื้นปูด้วยหินสกัดทั้งแท่งทันทีที่ก้าวพ้นบันไดประมาณ 7-8 ดขั้นขึ้นไปก็พบกับห้องโถงขนาดใหญ่มีโต๊ะกลมพื้นตรงกลางเป็นหินอ่อนขอบโดยรอบทําด้วยไม้แกะสลักลวดลายวิจิตรเหมือนจะเป็นโต๊ะประชุมประดิษฐานอยู่ใจกลางมีทางเดินแยกออกไปยังห้องอื่นๆ อ, อ, อีก3ามทาง ชายันเมน้อยแล้วก็ทุกคนคุมกุตมะกับประหัสยะไว้ที่นี่นะอาผู้กองมากับผมเราจะสำรวจสถานที่ในตำหนักนี้ให้แน่ใจที่สุดซะก่อนว่าไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่ที่จะเป็นเฉถาบอกโดยเร็วแล้วยักษหน้ากับพรานใหญ่ให้ตามเข้าไปแต่ชัยันร้องถามมาซะก่อนว่าระหว่างที่แกรกระพินแยกไปตรวจสถานที่เนะี่ยจะเราท้งนี้ทายังไงบ้าง ธราหัตสยะกุตมะหรือทหารทั้งสี่คนที่แบกเสลียงของกุตมะมีท่าทีว่าจะหนีหรือต่อสู้ญิงทิ้งตามลำดับความสำคัญของบุคคลสุดแต่จะเห็นสมควรอดีตนายพันโททูทหารบกบอกมาอย่างเฉียบขาดราหัสยะหัวเราะออกมาดังลั่นตอบมาว่าเราจะไม่ทำอะไรงงๆกับพวกเจ้าหรอกไอ้พวกหนูติดกับทั้งหมด ชยันหันขวบมาเงื้อกำปั้นทรายที่ว่างเปล่าขึ้นหมายจะตะบันหน้าอุปราชพระอนุชาให้สมกับความเครียดแค้นมันไส้มานานแต่มาเรียดโดดขวางไว้ก่อนยาชัยยันยังไม่เราก็ควรให้เกียรติอุปราชพระอนุชาบ้างเธอนเป็นคนใจร้อนอย่างระยำเช่นนี้เสมอจ้ะเมียแม่มปรามเชิงด่าก็ให้เช่นนั้นทําให้ใชัยยันส ง, งบโทสะลงมา โบกมือให้รับพินกระเชษฐาเป็นสัญญาณตามข้อตกลงพอทั้งสองพากันเดินออกสำรวจสถานที่หายไปตามห้องต่างๆเขาก็สั่งให้เกิดผู้มีปืนไปยืนดักเฝ้าสังเกตการอยู่หน้าปากประตูทางเข้าเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวของเหล่าทหารที่รายล้อมไว้รอบตำหนักปรีเข้าไปที่กุตมะผู้บดีนั่งสงบอยู่บนเสลียงซึ่งทหารในชุดแดงทั้งสคนวางลงกับแท่นหินบริเวณหนึ่ง โดยทาหารเหล่านั้นยืนเรียงแถวกอดอกอยู่อย่างมีวินัยอันดีดารินรู้นิสัยของเพื่อนชายดีก็เนียวไหลไวาอีกฉันจะเข้าไปตรวจอาวุธของตาเท่าเจ้าเลน่กับท่าของเขาทั้งสี่คนเพื่อนชายบอกด้วยเสียงกระชากกระชากฉันเข้าใจแต่เธอนั่งสงบอยู่ที่นี่ดีกว่าคุมรหัสเสีไว้ฉันจะเข้าไปตรวจคนเองหล่อนบอกเรียบเรียบ แล้พยักหน้าเรียกขยินให้เข้าไปเป็นเพื่อนด้วยและก่อนอื่นใดหลอนออกคำสั่งให้ทหารผู้แบกเสลียงทั้งสี่ถอยห่างออกไปยืนรวมกลุ่มกันอยู่อีกทางนึงโดยไม่ให้ห้อมล้อมบังกุตมะไว้เจ้ายักษ์สูงประมาณ6ฟุตสนิ้วทั้งสี่ยืนเฉยโดยไม่สะทกสะเทือนทั้งสิน้นดูราวกัว่ามันจะไม่ยอมให้ใครมาออกคำสั่งใดๆกับมันได้ทั้งสิน้นนอกจากนายของมันโดยตรงเท่านั้น ก่อนที่ดารินจะโมโหเดือดดานเช่นไรเสียงเรียบเรียบของกุตมะก็ออกคำสั่งมาว่าเจ้าทั้งสี่จงปฏิบัติตามที่สตรีผู้นี้สั่งทดเมื่อ น, นั้นเองพวกมันจึงก็ยกไปยืนยืดอกเอามือคว้าหลังุมอยู่ชิดแทงเหมือนตุก๊กอดที่จะนึกชมเชยถึงระเบียบโกรธการท่าทั้งสี่เสียม่ได้และโดยไม่จาเป็นจะต้องมีใครสั่ง บุญคำจันเสยและส่างปาก็เข้ามาตรวจค้นอาวุธของยักษ์ทั้งสี่คนนั่นต่างไม่พบอะไรมากไปกว่ามีดสั้นที่เน็บอยู่ใต้ผ้าแถบสีดำอันพันรัดเอาไว้ซึ่งดูเหมือนมีดชนิดนี้จะเป็นเขี้ยวเล็บสามันธรรมดาของชาวมรกฎนครแทบทุกคนมีดเหล่านั้นถูกยึดหมดบัดนี้ดารินเข้ามายืนประชิญหน้ากับกุตมะ สายตาของหล่อนที่มองดูอดีตขุนพลขวาแห่งราชวงศ์เทพเต็มไปด้วยแววผิดหวังและก่อนที่จะเอ่ยเช่นไรกุตมาก็กล่าวซะก่อนด้วยสีหน้าตายด้านว่าไม่จำเป็นที่จะค้นอาวุธจากตัวเรารอกแม่จิงเราไม่มีแม้แต่เข็มสักเล่มเดียวดารินไม่ตอบแต่พยักหน้ากบุญคำเป็นความหมาย สมุนมือขวาของระพินก็กรากเข้าไปตบลูปคลำตามตัวของกุตมะจนตลอดก็ไม่พบอะไรเลยจริงเหมือนกันกุตมะท่านทำให้เราผิดหวังเหลือเกินนะดารินพูดเสียงแผ่วต่ำออกมาจากความรู้สึกแท้จริงลดนกปืนลงพร้อมกับสอดเข้าซองข้างเอวเพราะถือว่าทางด้านราหัสยะและทาตแบกเสลียงทั้งสี่คนนั้นช้ยันกับพานพื้นเมืองของระพิน คุมไว้อยู่มือแล้วที่ปรึกษาทางฝ่ายทหารของมรกฎนครเฉยเมยไม่ปริปากหน้าเป็นเหมือนผ้าผินปั้นอยู่เช่นเดิมดารินเดินวนไปรอบๆแท่นที่กุตมะทรงกายนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงนั้นจะมาหยุดอยู่ตรงหน้าอีกครั้งเอื้อมมือไปจับไหล่ด้านที่ถูกธนูโจรถึงยังไงเะสัญชาตญาณแห่งความเป็นแพทย์และความเป็นผู้มีน้ำใจอันการุณ ก็ไม่อาจาสลัดออกไปซะได้จากอุปนิสัยแท้จริงของราชสกุลสาวผู้นี้กุตมะบาดแผลของท่านคงจะค่อยยังชั่วมากแล้วสินะจากการเยียวยาของแพทย์หลวงกุตมะไม่มองสบตาหลอนแต่แลมองอย่างปราศจากความหมายไปยังผนังเบื้องหน้าอันเป็นหินสลักรูปลายภาพนูนแสดงถึงฉากยุทธภูมิอันนองเลือด ผู้คณสองฝ่ายกำลังรบราคาฟันกันอยู่ทำเหมือนไม่ได้ยินไปถามมันทำไมน้อยรูงี้ปล่อยมันไตาหาซะวันนั้นดีกว่าสินชัยยันทะลุกลางกล้องมาอีกเมื่อเห็นอาการนิ่งเหมือนบายของกุตมะเฮ้ชาตอัพอีเดียรมาเรตโกนบริภาสามีจำเป็นของหล่อนมาลั่นห้องศักดิ์สิทธิ์ยิ่งคราวนี้ชัยยันหุบปากนิ่งได้แต่ยักไหล กุมะดารินพยายามพูดด้วยต่อไปบอกตามตรงอีกสักครั้งได้ไหมพี่ชายของเรากับพรานนำทางนะ่ยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่คราวนี้ตาสีเทาแต่มีประกายลึกลับเช่นเดิมของกุตมะเบือนมาสบตาพูดถามอย่างเฉยชาแช่มชาปวยการที่เราจะพูดอะไรกับพวกท่านอีกทั้งสิน้น เมื่อท่านได้เฝ้ากระสัสิงหาราก็ให้ลองกราบถุนทามเองดีกว่าคนทรยศนี่เป็นความจริงที่พวกที่ฝ่ายท่านเรียกว่าโจรขโมดได้กล่าวไว้ดารินพูดเน้นหนักกุตมะเหมือนจะมีรอยยิ้มจังๆผุดขึ้นที่ริมฝีปากเป็นครั้งแรกตอบราบเรียบเหมือนเดิมว่า แม่นางคนทรยจดที่ยังมีชีวิตและมีอำนาจอยู่ย่อมดีกว่าคนซื่อสัตย์สุดจริตที่หาชีวิตไม่แล้วนี่ทำไมคิดสิอย่างเดียวว่าท่านแก่คราวพ่อคราวลุงของเราแล้วครั้งหนึ่งเราเคยสนทนาเป็นมิตรกันอย่างดีที่สุดข้าจะตอบท่านในความไปใ่ใเดี๋ยวนีเลยกุตมะดารินคำราม ท่านจะข่าเราหรือท่านรหัสยะเสียเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าหากท่านคิดว่าท่านเป็นผู้มีชัยเลิกกัดดารินหมดความเพียรพยายามที่จะเจรจาใดๆกับกุฎมะอีกแล้วทั้งสิน้นลอนถอนใจยาวแล้วถอยออกมากว่าตาดูไปรอบๆห้องนั้นต่อมาก็เดินตรงไปยังปากประตูใหญ่ทางเข้า ซึ่งเกิดนั่งถือปืนคุมเชิงเฝ้าสถานการณ์อยู่เจ้าเด็กหนุ่มของรพินเงยหน้ามองนายหญิงแล้วยิ้มด้วยทุกคนล้วนมีกำลังใจดีทั้งสิ้นไม่มีใครแสดงออกถึงความหวาดวันทรั่นครึงหรือขวัญเสียเลยทั้งๆที่สถานการณ์เป็นรองอยู่เต็มประตูรอนโผล่หน้าออกไปดูยังอุทยานเบื้องนอกก็ยังเห็นทหารเหล่านั้นกระจายล้อมอยู่เป็นจุดๆเหมือนเดิม หอกเปลือยของทหารมาที่ถือชูขึ้นต้องอาทิตยามสายเป็นประกายเงาวับหน้าเกรงขามยิ่งทางด้านรบพินกับท่านหัวหน้าคณะต่างถือปืนในท่าเตรียมพร้อมเดินตรวจไปทุกห้องภายในตำหนักนั้นนอกจากเครื่องประดับอันเป็นของสูงค่าสมฐานะกับเป็นตำหนักในเขตราชฐานแล้วไม่มีวี่แววว่าจะมีทหารหลวงคนใด เข้ามาแอบซ่อนอยู่อีกทั้งสิน้นทุกสิ่งทุกอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงกระโตกกระตักผมทายไว้แล้วไม่มีผิดว่าพวกมันจะต้องพยายามปลดอาวุธเราในครั้งสุดท้ายเชืทากระซิบขึ้นขณะที่เดินตรงไปตามห้องต่างๆเหล่านั้นก่อนจะย้อนกลับมายังห้องโถงกลางที่เดิมแต่เราก็เตรียมการไว้รับมือตรงตามแผนที่ตกลงกันไวแล้วนี่ครับคุณชาย ที่สิงหราให้รหัสยะกับกุตมะมาทําหน้าที่ทูเจราจากับเราถ้าทั้งสองไม่โผล่มาอีกปล่อยให้แม่ทัพคนอื่นมาเจราจาแทนเราก็คงแย่ไปแล้วพระสิงหราย่อมไม่แคร์ต่ชีวิตของทหารซึ่งแม้จะประทะกับเราก็จะสูญเสียไปเพียงเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะถูกฆ่าหรือถูกรวบไว้ได้ทั้งหมดแล้วคุณไทยถูกไหมว่ามันจะเอาอยัางไงกับเราเฉษฐาถาม ปเดี๋ยก็คงจะรู้แล้วครับเพราะรหัสยะสั่งทหารให้เอาคำต่อรองของเราไปบอกกระสิงฮาราแล้วนี่ระพินตั้งแต่เราเดินต่าฝ่าดงเผชิญกับพยันตรายร้อยแปมาด้วยกันไม่มีครั้งใดที่ผมจะกระสับกระส่ายรุ่มร้อนใจเท่าครั้งนี้เลยนะคุณท่านทูตทหารบกสารภาพตามตรงผมก็เหมือนกันครับคุณชยัยระพินบอกเสียงแผ่วต่า และทั้งสองก็ย้อนกลับมาสมทบกับพักพวกทุกคนในห้องโถงกลางอีกครั้งก่อนที่ใครจะย้อนถามเชถาก็ร้องออกมาด้วยเสียงที่บังคับให้เป็นปกติว่าเรียบร้อยพวกเราปลอดภัยพอสมควรภายในที่มั่นแห่งนี้มีประตูทางเอาอยู่สองทางกรรพินปิดลงดานมั่นคงแล้วถ้าเกิดเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราทั้งหมดจะปิดตัวเองขังอยู่ในนี้แล้วยิงต้าออกไปกว่าพวกนั้นจะบุกทาลายประตูเข้ามาได้ ก็แปลว่าเราสามารถจะแจกกระสุนให้ทั่วถึงกันจนหมดกระสุนที่มีอยู่ทีเดียวรหัสยะนั่งอยู่บนเก้าอี้หินแผดเสียงหัวเราะออกมาอย่างเย้ยหยันไอ้บัวคีคลาตาเขาเป็นความโง่ยังมาที่เจ้าเพียงสิบเอ็ดคนคิดจะต่อสู้กับทหารนับหมื่นโดยคิดว่าเจ้าฉลาดแล้ว ที่เอาตัวเรากับกุตมะมาเป็นตัวประกัน <c oughs> ความจริงนะพระเชษฐาสิงหราของเราไม่ได้ประสงค์ายใดๆกับพวกเจ้าเลยเพียงแต่เป็นประเพณีของแผ่นดินนี้เท่านั้นในข้อที่ว่าชาวแปลกหน้าจะเข้าเฝ้าพร้อมด้วยอาวุธไม่ได้จึงมีกระแส ร, รับสั่งให้วางอาวุธสกักก่อนพระองค์ก็ได้เตรียมต้อนรับพวกเจ้า เยี่ยอาคันตุกะต่างแดนผู้มีเกียรติอยู่แล้วแต่พวกเจ้าสิกลับยโสโอหังบังอาจขัดขืนและยึดเรากับกุตมะเป็นตัวประกัน <c oughs> นึกละนึกละว่าอาวุธของพวกเจ้าจะวิเศษสัแค่ไหนระหว่างที่เดินทัพควบคุมตัวมาเรามีโอกาสนับพันครั้งที่จะสังหารพวกเจ้าทั้งสิอคนซะ เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่ใช่พระรากาศสิทธิ์ของสิงหราให้จับเป็นมายันนึกนะว่าเรายอมจำนนปล่อยให้เดินมาตามอิสระโดยไม่ผูกมัดพันธนาการเพราะเกรงกลัวในอาวุธของพวกเจ้าถ้าจะมีความยโสโอหังใดๆอยู่ในระหว่างเราทั้งสองฝ่ายแล้วก็กอให้รู้ไว้ด้วย มันเป็นเจ้านั่นแหละรหัสยะเจ้านึกเหรอว่ในแวดล้อมของทหารนับหมื่นที่คุมเชิงเราอยู่ใจกลางพระนครเช่นนี้ระวางอาวุธสิงหราต้องการพบเราและเราก็ต้องการพบสิงหราฉันไหนจึงจะมาเกี่ยงกันเพียงเรื่องอาวุธที่ใต่ตัวพวกเราพวกเรานะ่ะมีจํานวนเพียงแค่สิบเอ็ดคนพวกเจ้าสิมีจานวนนับไม่ถ้วนใคร ใครเป็นฝ่ายขี้คลาตาขาวกันแน่ดารินพูดอย่างเห่าหานพร้อมทั้งยิ้มเยาะอุปราชพระอนุชานั่งลูบคราวอยู่ครู่หนึง่งก็ผุดลุกขึ้นยืนรังงานเป็นส ง, ง่าอยู่กลางห้องกวักมือเรียกขยินซึ่งยึดดาบของตนไปถือไว้ให้ข้าวมาใกล้ขยินทำหน้าสงสัยเดินอาดอาดเข้าไปหาเจ้าสงสัยไม่ใช่หรอ ว ด, ดาบของชาวมารากรนาะคอนะมันคมแกร่งสักขนาดไหนเพราะฉะนั้นขืนดาบเล่มที่เจ้ายึดมานั่นให้ฆ่าสักครู่ก่อนทัดไม่ต้องแกร่งไปหรอกพวกเจ้านายของเจ้านะ่ะมีอาวุธสายฟ้าจ้องเราอยู่แล้วเราย่อมจะไม่เป็นภัยใดๆต่อเจ้าหรอกขยินยังยืนเฉยทำเหมืองตามองเชษาก็คนจริงเหมือนกันร้องสั่งว่าอ้าวขยินขืนดา บ, บไปเข้าไป อดี t นักเลงโตหล่มช้างโยนคืนให้รหัสยะอย่างแกล้งโดยเสือกปลายดาบเข้าไปให้ตรงตัวและลวดลายแห่งความเป็นเอตทัคคะในเชิงดาบของอุปราชพระอนุชาก็าสําแดงให้ทุกคนเห็นบุรุษเขาดกผู้นั้นเบี่ยงกายหลบปลายดาบของตนเองใช้มือซ้ายตวัดผ้าที่คลุมไหลยอยู่ปัดดาบหนักทั้งเล่มให้หมุนกลับกลางอากาศแล้วคว้าดามไว้ได้อย่างแม่นยำรวดเร็วจนดูไม่ทัน พลงังแหกมาหัวเราะก้องพยักหน้าท้าทายไปยังกลุ่มเฉลยต่างเดนซึ่งบัด น, นี้ตนเองกลับตกมาเป็นเฉลยบ้างเอาละหมูพวกเจ้ายกเว้นสิจากอาวุธสายฟ้าเหล่านั้นแล้วใครคิดว่าเชี่ยวชาญในเชิงดาบก็จงก้าวออกมาเราจะาเผชิญหน้ากันอย่างชายต่อชายดาบต่นดาบคนละเล่มแล้วรหัสยะก็ปลายตาไปทางเชิถา พยักยิ้มชวนบางทีจะเป็นท่านละกระมังท่านเป็นหัวหน้าของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่เหรอเชิฐานหน้าแดงกำขยับตัวต่ระพินยึดแขนไว้จะเย็นครับคุณชายใจเย็นอย่าหลงกลมันง่ายๆมันท้าคุณชายประดาบกันมันก็เหมือนเหมือนกับเราโยนปืนให้มันซักกระบอกหนึ่งแล้วท้าดวลนั่นแหละความชำนาญมันผิดกันอยู่แล้วครับ เชทานนึกขึ้นได้ยืนนิ่งอยู่ขยินก็ชักดาบปราดออกจากฝักสะอึกเข้ามา้างนั้นขยินเองก็ได้ไนายยึดจอมพรานตะหวาดเอาเจ้ากระเรียงลมช้างชะงักนิ่งไปอีกคนขยินเองนราไม่ได้เกิดมาในยุคที่ใช้ดาบเป็นอาวุธหลักโง่บัดซบที่จะยื่นคอไว้ให้มันตัดเพียงแค่คทาท้าทายเยาะยวเท่านั้นมันกาลังจะหลอกฆ่าพวกเรา มันยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่ก็จะไม่ห้ามเลยรหัสยะยิ้มพรายตวัดดาบฟันอากาศรอบตัวอยู่ไปมาอย่างแคล่วคล่องนี่แนะ่พรานเจ้ามักคุเทศนักนำทางที่นำความเสนีย์จันไรเมื่อสู่แผ่นดินของข้าข้ารหัสยะขอรับรองว่าจะไม่ทำอันตรายใดๆพวกเจ้าในขณะนี้เพียงแต่ข้าอยากจะลองดาบของข้า กับดาบของพวกเจ้าที่สะพายติดหลังอยู่นั่นเท่านั้นถ้าเกรงว่าดาบของข้าจะตัดคอหรือเสียบอกใครในหมู่เจ้าล่ะก็ส่งดาบของพวกเจ้ามาข้าชมสักเล่มหนึ่งก็ได้ระพินไพรวันขมวดคิ้วคิดแล้วเดินไปดึงดาบที่ขัดหลังก็ยินปลาออกมาพราดาบก็ะเรียงขึ้นมากำอยู่ในมือของเขารหัสยักษ์ก็ย่างสามขุง้งเข้ามาย่างไ ม, ม้มันเมือนนั้นเอง ปืนอีกสีก็บอกก็จ้องไปยังอกของรหัสยะหยุดนรพินคุณห้ามคนอื่นได้แต่คุณเองกลับจะเป็นฝ่ายบ้าจีถ้าจะมีการประดาบกันในระหว่างนี้ระหว่างคุณกับรหัสยะฉันจะช่วยเองโดวยวิธียิงทะลุหลังคุณให้กระสุนมันเลยลงไปทะลุอกรหัสยะพร้อมกันไปเลยดารินส่องปืนไปทางด้านหลังของเขาเป็นมุมตรงในแนวเดียวกับรหัสยะ ที่ยืนเผชิญหน้ากันอยู่คุณหญิงครับผมน่ะไม่ใช่ลูกสิทธ์ตะคยีในเรื่องผู้ชนะสิทธิ์พชรหรอกนะครับถึงจะได้กล้าไปฟันดาบกับมันแต่เห็นมันท้าทายอยากจะแสดงฝีดาบของมันนักก็เลยอยากดูอ้าราษยะนี่ไงละดาบของพวกเราไม่ได้มีไว้สำหรับที่จะโค่นล้มบัลลังใครหรอกแต่เรามีไว้ติดตัวไว้ฟันกิ่งไม้เท่านั้นแหละกล่าวจบ เขาก็โยนดาบของขยินไปให้รหัสสยะอีกเล่มหนึ่งแล้วรอดูว่าจะอ้วนจอมโอหังจะทำเช่นไรอย่างหยามหยันหมิ่นและเหยียดรหัสสยะใช้เท้าอันสวมหุ้มไว้ด้วยหนังสัตว์ขนฟูเตะช้อนดาบของขยินเล่มบอ บ, บางที่ระพินโยนไปให้ลอยขึ้นมาพาดอยู่บนเท้าแขนก้าอีหินที่ตนนั่งอยู่สักครู่นี้พลางหันไปยิ้มกับทุกคนดูนี่ ที่วางผ้าอยู่คือดาบของพวกเจ้าและที่ถืออยู่ในมือข้านี่คือดาบของรหัสยะขาดคำพูดชชาๆนั้นอุปราชพระอนุชาก็เงื้อดาบของตนเองขึ้นสุดช่วงแขนฟันเชียดลงไปเต็นเนียวกลางใบดาบของขยินเล่มที่วางผ้าเท้าแขนเก้าอี้นั้นทุกคนที่จับตามองอยู่พากันตะลึงไปชั่วขณะ ปรากฏเสียงโลหะกระทบโลหะดังสนั่นลั่นห้องประกายไฟ แ, แลกวูบแล้วดาบของกยินก็ขาดสะบัน้นหรือมิฉะนั้นก็หักเป็นสองท่อนร่วงพลอยลงไปกองอยู่กับพื้นท่ามกลางเสียงแพดหัวเราะสนั่นวันไหวของรหัสยะฮ่าอนี่ล่ะดาบของพวกเจ้า ไม่ทนผู้ผู้แท้ๆท้อ้าแล้วก็ดูดาบของข้าซะด้วยว่ามันบินเยินรว่าชำรุดใดๆหรือไม่กล่าวจบรหัสยักก็โยนดาบของตอนเองคืนมาให้ที่แทบเทาระพินจอมดาบยืนนิ่งไม่ได้ก้มลงเก็บเพียงแต่เหลือตาลงดูและทุกคนก็ทำเช่นนั้นต่างเห็นว่าดาบมรกรกนคร ที่เนื้อเขียวประดุดปีกแมลงทับหนักอึ้งชนิดดาบเดินป่าของคณะสองเล่มยังไม่ลงเล่มเดียวหาได้มีรอยย่นหรือบินใดๆเลยไหมรหัสยะดาบของเจ้าคมและแร็งมากจริงๆดารินพูดขึ้นท่ามกลางความเงียบแล้วสักวันหนึ่งเถอะไม่ช้าก็เร็วมันคงจะมีโอกาส กระกับดาบของจักรราษแล้วเมื่อ น, นั้นเราก็จะได้เห็นกันเองว่าเราวางดาบของเจ้ากับดาบของจักรราใครจะคมกว่ากันเราจะคอยดูวันนั้นแล้วพยักหน้าให้ขยิมเก็บยึดไว้ตามเดิมอุปราชพระอนุชากระแทกกายลงไปนั่งบนเก้าอี้ตัวเดิมพูดแหบห้าออกมาว่าเป็นอันว่า บัดนี้พวกเจ้ายอมรับแล้วใช่ไหมว่าพวกเจ้าเอาศัตรูของเราเข้ามาในแผ่นดินนี้ด้วยมันคือจักรราษหนึ่งในจำนวนสิบสองคนที่หายไปจากพวกเจ้าก่อนที่กองทัพของข้าจะเข้าล้อมจับเราจะตอบคำถามนี้ก็ต่อเมื่ออยู่ตอนหน้าสิงหารากษัตริย์ของเจ้าไม่มีคำพูดใดๆอีกเลยระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งบัตรนี้แยกกันเป็นสองกลุ่มรหัสยะและทหารทั้งสี่คนที่แบกเสลียงเข้าไปรวมอยู่กับกุตตมะสงใดๆขึ้นมาได้ทงส่วนฝ่ายของตนก็มีเรื่องที่จะปรึกษากันไม่ขาดระยะเหมือนกันแต่ไม่มีใครนั่งติจุกที่เดินวนเวียนอยู่ไปมาเหมือนเพื่อสังเกตลู่ทางศึกษาสถานที่และภูมิประเทศเท่าที่จะมองออกไปเห็นได้เกรงอาว่าจะหลับรตื่น เขายอมพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีเสมอหากเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นยิ่งเวลาเนิ่นนานออกไปทุกคนของฝ่ายฉเฉลยก็รู้สึกเหมือนกับว่าตนเองเป็นหนูติดกับจิงตามที่รหัสสยะว่าและไม่อาจทายใจสิงหราได้ถูกว่าจะดำเนินการเช่นไรเพราะไม่มีข่าวคราวใดๆส่งมาทั้งสิน้นภายในสถานที่ซึ่งถูกจากัดให้อยู่โดยมีทหารล้อมไว้อีกชั้นหนึ่งเช่นนี้ นี่ราษยะถ้าไม่ป่านนี้และกษัตริย์สิงหรา ย, ยังไม่ส่งข่าวใดๆมาอีกมารียอดทนทนอยู่ไม่ไหวร้องถามมาอุปราชพระอนุชามองหุ่นทรงอันสะท้านใจของแหม่มสาวด้วยสายตาอันคมปราบมีความหมายลึกทั้งรหัสยะกุฏุตมะและทหารทั้งสี่กลายเป็นฝ่ายใจเย็นที่สุดในระหว่างที่อีกส1คนในฐานะเฉลย เริ่มจะ ก, กระสับกระสายทวีขึ้นทุกขณะเมื่อเวลาล่วงผ่านไปเราก็ไม่ทราบเหมือนกันพระเชษฐาสิงหราอาจจะมีราชภารกิจที่สำคัญกว่าและยังไม่มีเวลาที่จะพิจารณาถึงเรื่องเลยต่างแดนซึ่งบัดนี้ก็เปรียบเหมือนตกอยู่ในที่คุมขังเรียบร้อยแล้วแต่ท่านจะเดือดร้อนไป ย, ยัยในเมื่อพวกท่านก็มีเราและกุตมะเป็นตัวประกันอยู่กล่าวจบรหัสยะก็หัวเราะขึ้นเบา มาเรียรู้สึกตัวว่าได้หลวมตัวถามไปอย่างโง่ถนัดทุกคนชำเลืองไปทางระพินเห็นเขายังนอนเอาหมวกหลุบหน้าชันเข่าข้างหนึงขึ้นในอาการเหมือนจะหลับอย่างสบายโดยไม่ทุกร้อนอะไรทั้งสิ่งส่วนพวกฝรา่พื้นเมืองเริ่มจับกลุ่มกันสบดบนสบดและสาบแช่งเชฐถาเดินโผลไปทางประตูเข้าสังเกตแสงตะวันเห็นลอยขึ้นสูงทุกขณะถ้าเขาถ่ายไม่ผิด มันเป็นเวลาเกือบเที่ยงวันแล้วแปลว่าทั้งหมดถูกนํามาให้อยู่ในตําแหน่งแห่งนี้ไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงมาแล้วโดยยังไม่มีข่าวคืบหน้าใดๆทั้งสิ้ขนขณะนั้นเองท่านหัวหน้าคณะก็สังเกตเห็นสะพานหินที่ทอดผ่านสะบัวอันจะเป็นทางนํามายังตําหนักแห่งนี้มีทาหารขีม่ม้านาหน้าเกวียนเทียมด้วยโคต่างประดับประดาอย่างสวยงามมีหลังคาคลุม กำลังบ่ายหน้าตรงเข้ามาด้วยอาการปกติเขารองบอกให้พักพวกทราบถึงความเปลี่ยนแปลงชนิดนี้ในระหว่างที่ต่างพูรู ก, กันออกมายืนจ้องสังเกตการมีเพียงรบพินคนเดียวที่ผงกกายลุกขึ้นนั่งพร้อมกับปืนในมืออาการของจอมมกูเทสไม่สนใจกับความเปลี่ยนแปลงชนิดใหม่ที่พักพวกทุกคนพากันออกไปดูที่ปากทางเข้านี้นะัก แต่เขาสนใจเฉพาะการคุมเชิงระวังท่าทีของฝ่ายมรกรนครทั้งหกคนที่ยึดไว้เป็นตัวประกันมากกว่าในขณะที่พวกพ้องทุกคนลืมซะอย่างสนิทกุตมะและรหัสยะมองมาที่เขาแล้วอุปราชพระอนุชาก็ถามขึ้นเบาๆปนรอยยิ้มตามแบบฉบับของคนเจ้าเล่ห์วะไงท่านพรานท่านจะไม่โผล่ดูตรงประตูนั่นบางหรอกเหรอ ว่าเกิดอะไรที่น่าตื่นเต้นขึ้นที่นั่นราสยะไม่มีอะไรตื่นเต้นสำหรับเรารอกแม้แต่ความตายที่จะเข้ามาถึงะในระหว่างสายตาสิบคู่ของพวกเราที่จับคอยมองระวังอยู่แล้วก็ควรจะมีสายตาสักคู่หนึ่งจับไว้ที่พวกท่านด้วยเขาตอบพร้อมกับใช้ปลายปากกระบอกปืนสั้นจุดซีซีแม็กถูเบาๆที่ปลายคางอันสาค ร, ครึมไปด้วยคราวของตนเอง มีคนที่เราจะต้องระวังมากอยู่เพียงสองคนเท่านั้นในบรรดาทั้งสิบเอ็ดคนนี่คนแรกก็คือชายร่างใหญ่หัวหน้าของคนกลุ่มนี้ส่วนคนที่สองเป็นชายร่างเล็กพรานนำทางคนนี้กุตมะพูดแผ่วเบากับอุปราชพระอนุชาซึ่งดูเหมือนจะเป็นเจตนาให้เขาได้ยินด้วยระพินหัวราอในลำคอ กุตมะคนพวกเราระวังท่านทั้งนั้นแหละเพียงแต่หน้าเราไอ้สำหรับกุตมะนะ่ยะยาที่นายหญิงของเราถอนพิษธนูโจรให้แก่ท่านจนกระทั่งท่านรู้สึกเหมือนว่าหายตีหน้ากลับกลายมาเป็นศัตรูกับเราอยู่ในขณะนี้นะ่ะก็อย่าคิดนะว่าท่านจะปลอดภัยตลอดไปมันอาจจะเป็นยาสั่งทําให้ท่านสบายขึ้นมาได้เพียงสองสามวันแล้วต่อจากนั้น ท่านก็อาจจะเน่าไปหมดทั้งตัวก็ได้รพินไพรวันตอบอย่างชาติเสือไม่ทิ้งลายเขาจะหนักดีว่าบุคคลสำคัญของมรกฎนครตละคนมีวาจาที่เชื่อเฉนคมคายทั้งสิน้นและไม่มีใครโง่ให้คนฝ่ายเขาคิดที่จะดูหมิ่นได้ง่ายๆเพราะคนเหล่านี้จเจริญในด้านสติปัญญาแล้วอย่างน้อยที่สุดก็ในยุคสมัยของตนเอง ถึงบังเอิญมามีจุดพบกันเข้าระหว่างคนในยุคสมัยของเขาทั้งสองคนไม่ตอบรหั ส, สยะเสยะหน้าพร้อมกระเป๋าลมออกจากปากในลักษณะยีย่ยหยดระยะมันไม่ห่างออกไปนักและเคลื่อนใกล้เข้ามาทุกขณะเชษฐาและพวกจึงมองเห็นได้ถนัดว่าผู้ที่ขี่ม้านำหน้ากุยนประดับประดาคนนั้นคือแม่ทัพจิตเสิ คนเดียว ก, กันกับที่รหัสยะมอบอำนาจไว้ให้เฝ้าฉเฉลยระหว่างที่ตนเองและกุตมะเข้าพระนครไปก่อนเมื่อเย็นหวานและเป็นคนที่รหัสยะบัญชาให้ไปกราบทูลข้อเสนอของเหล่าฉเฉลยเมื่อเช้านี้ขบวนนั้นเคลื่อนใกล้เข้ามาเป็นลำดับจิตตเสนเชิฐถาพึ้พรมหวังว่ามันคงไม่จัดราชรถประดับวอทอมารับพวกเรานะ แล้วเขาก็ป้องปากตะโกนออกไปว่าหยุดจุดตรงนั้นก่อนจิตเซนในเกวียนที่คลุมพ่อน้ามีอะไรจิตเซนหยุดมาตามคาสั่งตะโกนตอบมาว่าท่านทั้งหลายขออย่าได้ระแวงไปเลยโดยกระแส ร, รับสั่งของสิงหาราให้เรานำอาหารอย่างดีมารับรองพวกท่าน ก่อนที่จะทรงอนุญาตเข้าเฝ้าในตอนบ่ายทุกคนได้ยินชักงงมองหน้ากันเองเหมือนจะหารือชายันนั้นพอได้ยินคําว่าอาหารอย่างดีก็เริ่มน้ําลายโอและความจริงทุกคนก็เริ่มจะหิวอดีตนายทหารปืนใหญ่โบกมือในโบกปืนในมือพลางตะโกนไปบ้างว่าถ้าเป็นจริงยางว่า เราก็ขอขอพระไทยสิงหรามากแต่ก่อนอื่นเลิกผ้าที่คลุมเกวียนอันสวยงามของเจ้าขึ้นใน ห, หมอทุกด้านสิจิตเสินชักมาหวนกลับมาที่เกวียนใช้หอกเลิกผ้าลายทองที่คลุมอยู่มิดชิดทุกด้านในตอนบรรทุกตลบให้ขึ้นไปบนหลังคาหมดสิ่งที่เห็นนั่งประดับอยู่ในเกวียนคันนั้นคือระดูนีไวยสครานจํานวนหนาง แต่ละนางผิวพรรณสวดทรงแช่มช้อยเป็นที่งามตายิ่งลักษณะเหมือนพระสนมกํานันหรือมีฉะนั้นก็นางในวังทุกนางแต่งกายด้วยแพรพันหลากสีเป็นที่สวยงามและบนท่านนั่งล้อมพับเพียบเรียบร้อยอยู่เป็นภาชนะสีทองลักษณะต่างๆจำนวนมากมายมีฝาปิดพวกพรานพื้นเมืองตาลุกกระเดือกน้าลายลงคอเมื่อเห็นนางใน และถาดทองซึ่งทราบประบรรจุอาหารส่งมาเป็นบรรณาการจากกษัตริย์สิงหราเหล่านั้นเชษฐาชายันและดาลินดึงอยู่อย่างตัดสินใจเช่นไรไม่ถูกขณะนั้นเองดาลินก็เรียกจอมพรานของหล่อนให้ออกมาดูพร้อมกับบุยปากไปยังภาพนั้นถามว่าระพิดในความคิดของคุณนั่นหมายความว่าอะไร มองผาดผาดก็คือเครื่องหมายแห่งสันทวมตรีสั่งให้นำเคลื่อนเข้ามาได้ะครับป่ะเดี๋ยวเราก็รู้เองว่าอุบายของสิงหรามันตื้นหรือลึกขนาดไหนเมื่อได้รับคำแนะนำจากจอมคุเทศซึ่งทุกคนฝากชีวิตไว้ให้กับเขาท่านหัวหน้าคณะก็ร้องบอกให้ขบวนนั้นเข้ามาได้จิตเสิโด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดูผิดแผ่ไป ขี่ม้านำหน้าเกวียนบรรทุกนางงามและอาหารข้ามสะพานเข้ามาจนถึงหน้าตำหนักที่ฝ่ายเฉลยยึดอยู่แล้วบงการให้นางเหล่านั้นแบกถาดทองทยอยลำเลียงขึ้นบันไดตำหนักขึ้นไปก่อนวางประดับอยู่บนโต๊ะกลมอันมีลักษณะเหมือนโต๊ะประชุมเหล่านั้นพร้อมกับเปิดฝาครอบออกกลิ่นของอาหารซึ่งบัดนี้น่าจะเรียกว่าโูชนาหารจากกษัตริย์สิงหรา ก็พลันส่งกลิ่นโชยชุยทำให้ทุกคนบังเกิดความหิวยิ่งนะลักษณะของอาหารเหล่านั้นถูกปรุงอย่างดีเยี่ยมแม่จะมองเห็นด้วยสายตาผัดผาดประกอบด้วยอาหารเหลวประเภทซุปและเนื้อสัตว์ย่างปรุงสีสันชวนรับประทานแถมด้วยผลไม้อีกถาดใหญ่ชนิดที่ทุกคนของฝ่ายเฉลยซึ่งผ่านความเจริญสูงสุดมาแล้วก็กล้ารับรองได้ ว่าไม่เคยเห็นในพัตาคารชั้นดีที่ไหนในโลกมาก่อนเป็นอาหารในราชสำนักอย่างแท้จริงหาใช้อาหารตามมีตามเกิดกินแก้หิวซึ่งได้รับในระหว่างถูกควบคุมตัวในกองทัพไม่ด้วยสีหน้าอันยิ้มแยม้มจิตเสินประกาศแก่ทุกคนว่าขอให้ทุกท่านจงวางใจได้แล้วมีพระบร ม, มาราชาองคการให้ท่านทั้งหมดเข้าเฝ้าได้ตามเงื่อนไขที่ท่านขอร้องไป และทรงเป็นห่วงว่าพวกท่านจะหิวโหยเนื่องจากได้เวลาเที่ยงวันแล้วจึงให้จัดโภชนะาหารอย่างดีเยี่ยมที่สุดมารับรองท่านก่อนภายหลังเมื่อท่านอิ่มหนำสำราญดีแล้วจึงให้ท่านเข้าเฝ้าในท้องพระโรงซึ่งพระองค์จะรอรับพวกท่านในฐานะอาคันตุกะต่างแดนผู้สมเกียรติส่วนสตรีที่คุมเครื่องโภชนาการเข้ามาเหล่านี้ก็จะเป็นผู้คอยปรนิบัดเหล่าท่านอย่างสมเกียรติ ระหว่างรับประทานอาหารดีมากและขอขอพระไทยในความการุณพร้อมทั้งประสงค์ในสันทวามาตรีของกษัตริย์ของท่านเป็นอย่างดียิ่งเชษฐากล่าวพร้อมกับยิ้มตอบแต่ก่อนอื่นขอให้ท่านวางหอกปลดเข็มขัดดาบแล้วก็มีดสั้นที่ติดตัวอยู่ออกวางซะก่อนกิตเซนปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยดี วางหอกสั้นลงที่มุมห้องด้านหนึ่งถอดสายเข็มขัดดาบทั้งฝักและมีดเน็บลงกับพื้นพร้อมกับชูมือให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ว่าไม่มีอาวุธอันใดแอบแฝงเข้ามาชัยันก็ปราดเข้าไปจะค้นตัวนางงามเหล่านั้นอีกเพื่อความแน่ใจแต่ดารินก็มาเรียนเหนียวไหลว่าคนละด้านพอแล้วพอแล้วชยันใหญ่มากเกินไปนักเลยก็มองเห็นอยู่แล้วว่าแม่ ง, งามเหล่านั้น่ะ แต่ละคนก็แต่งกายด้วยแพรพันที่แสนจะโปร่งบางจนมองแทบจะทะลุถึงเครื่องในแบบนี้เชื่อได้แน่ว่าคงไม่มีอาวุธซ่อนมาด้วยแน่นอนนี่นี่นี่อย่าพยายามหาทางเข้าไปแต้อ่งไม่จะประคุณพวกนั้นเลยแต่ละคนก็หน้าตาหน้ า, นาเอ็นดูทั้งนั้นแหละดารินพูดชยยายันยิ้มกร่อยๆโถ่นี่ไงล่ะรามาดผู้หญิงมรกรนครก็แต่เธอรอทุกคนย้อนนึกไปถึงเมญานีขึ้นมาได้ล้ก็ แต่ละนางเหล่านี้น่ะอาจจะเป็นแม่เสือดาวตัวไร้ายที่คัดเลือกมาอย่างดีทั้งสิน้นอาวุธน่ะอาจจะไม่มีจริงแต่ยาพิษที่อาจจะมีซ่อนติตัวอยู่ในเครื่องประดับทุกคนเป็นต้นว่าแหวนหรือกำไลเผลอหน่อยเดียวแม่โรยให้เรากินทำไมตายก็หลับนี่อย่าทําให้รอบข้อเพื่อแก้เกี่ยวไปหน่อยเลยเอาเป็นว่าเธอกลัวนักน่ฉันจะจัดการเอง มาเรียว่าแล้วก็เดินตรงไปยังนางงามซึ่งแต่ละคนรูปร่างปโปร่งบางแช่มชอยแต่งกายอย่างยวนยั่วเหล่านั้นซึ่งกำลังสาละวนจัดวางเครื่องอาหารบนโต๊ะด้วยอาการอันสงบเรียบร้อยแมมเจ้าเดินเอามือลูบไลทุกคนแล้วออกคำสั่งว่าเราทั้งหมดขอขอบใจแม่นางที่จะมาทำหน้าที่โปรนิบัติให้เราระหว่างกินอาหารแต่เห็นจะไม่จาเป็นหรอกนะระหว่างที่เรากินอาหาร ขอให้ทุกคนออกไปนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ที่มุมห้องนอนไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นละทั้งหกนางย่ อ, อ ก, กายลงธรรมการเหมือนจะเคารพแล้วถอยออกไปนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ตามคำสั่งนั้นโดยดีระหว่างที่ฝ่ายเฉลยทั้ง11คนกำลังจ้องมองไปที่อาหารชวนกินเหล่านั้นด้วยสายตาอันตื่นตะลึงจิตเสศได้กว่าตามองไปยังฝ่ายตนคือขุนพลกุตมะ อุปราชรหัสยะและาธาตแบกเสลียงทั้งสเห็นอยู่กันเรียบร้อยดีก็พูดขึ้นแก่ทุกคนของฝ่ายฉเฉลยว่าในานามของกษัตริย์สิงหาราเราขอขอใจพวกท่านทุกคนที่ไม่ได้ทําอันตรายหรือผูกมัดพันธนาการเช่นใดต่อองค์พระอนุชาท่านกุตมะและทหารผู้แบกเสลี่ยงเหล่านั้นแน่นอนเราย่อมให้เกียรติคนของกษัตริย์สิงหาราเสมอ แม้ว่าฝ่ายเราจะไม่ได้รับเกียรติเท่าที่ควรก็ตามแล้วมีรับสั่งมาว่ายังไงบ้างละ่ะเชถาถามก็อย่างที่เราได้บอกกับท่านแล้วละ่ะพระองค์ทรงยินยอมให้พวกท่านเข้าเฝ้าได้ภายหลังตะวันบ่ายและภายหลังจากที่พวกท่านอิ่มหนำพักผ่อนกันพอสมควรแล้วแล้วเหตุใดกษัตริย์สิงหราถึงปล่อยพวกเราคอยกันเนิ่นานานนักละ่ะชยันถามจ้องหน้า เรื่องนั้นเราไม่อาจทราบได้ภายหลังที่เราได้รับคำสั่งจากท่านรหัสยะให้นำความไปกราบทูลเท้าเธอทรงปรึกษาราชาการแผ่นดินกมุขมมตรีอยู่เป็นครูใหญ่ต่อมาจึงรับสั่งให้เรานำาโภชนะหารและกระแสะรับสั่งมาบอกกับท่านและทรงให้บอกมาด้วยว่าของพวกท่านอย่าได้ระแวงแกรงใจอะไรเลยราชาฐานมรกฎนครจะขอต้อนรับพวกท่านทุกคนอย่างดีที่สุด เชืถาพยักหน้าริ้วรอยแห่งความหวังระคนความไม่แน่ใจปะบนกันขึ้นบนสีหน้าจะมองหาหรือไปทางระพินก็ไม่เห็นสายตาคู่นั้นบ่งความหมายเช่นไรชายันนั้นโบกมือเรียกพักพวกทันทีอา้าหมำกนเทอะพวกเราอาหารอย่างนีทั้งนั้นรอช้าเสียเวลาอยู่ทำไมหิวเต็มทีแล้วเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งครับเสียงที่ขัดขึ้นกลางคันเป็นเสียงของระพิน ผู้พูดน้อยที่สุดพรางเขาก็หันไปทางรหัสยะกุตมะและจิตตเซนชี้มือไปที่อาหารเหล่านั้นพวกท่านจะหิวหรือไม่หิวจะต้องการอาหารเหมือนพวกเราหรือไม่ก็าตามแต่เราขอให้ท่านทั้งสามคือรหัสยะกุตมะและจิตตเสนชีมอาหารทุกจานในถาทองเหล่านั้นให้เราดูก่อน รหัสเยะยืนขึ้นยังพึงายหัวเราะกร้าวเต็มไปได้วยแววเยยอหอยันเรากล่าวไว้แล้วก็หาผิดไปไม่ว่าพวกเจ้านะ่ะขี้คลาตาขาวพระเชษฐาของเรานะปรารถนาดีและปราณีพวกเจ้าถึงเพียงนี้แล้วก็ยังระแวงสงสัยจงรู้ไว้ด้วยเถิดว่ากษัตริย์สิงหราณนะหาได้งโงเข่าเบาปัญญาเหมือนอย่างที่พวกเจ้าคิดรอก ไม่จําเป็นที่กุตมะหรือจิตเสนจะต้องมาทดลองชิมให้พวกเจ้าดูเพื่อตรวจว่าอาหารเหล่านี้เป็นพิษเป็นภัยหรือไม่หรอกข้ารหัศยะเองนี่แหละจะเป็นผู้ชิมให้เจ้าดูเองเพราะข้าก็กําลังหิวอยู่เหมือนกันกล่าวจบราษยะก็เดินอาดอาดขึ้นมาครึ่งนั่งครึ่งยืนบนโต๊ะใช้มีดสาหรับหั่นเนื้อซึ่งเป็นคนละชนิดกับมีดที่ใช้เป็นอาวุธ กับเหล็กแหลมลักษณะคล้ายๆซ่อมจิ้มและตัดลงไปยังอาหารชวนเสพต่างๆนั้นยกขึ้นใส่ปาเคี้ยวตุยตุ ย, ย อ, อ, อย่างอรอร่อยปาก็พูดไปพลางว่าอาหารเหล่านี้เป็นพวชนะอาหารของกษัตริย์และราชวงศ์เท่านั้นพระเชษฐาของข้าสั่งจัดให้เหมือนพระองค์และเครือญาติจะสวยเองจึงนับว่าพระองค์ให้เกียรติแก่พวกเจ้ากนกว่าที่ข้าจะคิดเสียอีก ระหว่างที่ทุกคนยืนมองนิ่งโดยไม่โต้อตอบคำใดนั้นราหัสยะเสพอาหารเหล่านั้นอย่างตะกลุมตะกรามสแสดงให้เห็นว่าเป็นคนเสพอาหารได้จุหรือมิฉนั้นก็ประชดกินพลางก็มองเยะเยะไปยังเฉลยทุกคนและกินให้เห็นหมดทุกชนิดจนกระทั่งสุดท้ายยกคนโทน้ำจันอันเป็นคนโทบรรจุของเหลวประเภทมืนเมา มีกลิ่นหอมหวนชวนดื่มขึ้นซดอักอักอั ก, อกหายเข้าไปในลำคออันอวบใหญ่และลงไปบรรจุอยู่ในท้องมาคือมาปานยุ่งเข้ารหัสยากินจนเต็มอิ่มของตนอย่างไม่มีความเกรงเกรงสำแดงพิรุษใดๆทั้งสิน้นภายในไม่เกิน15นาทีพุงที่ใหญ่อยู่แล้วก็กลางออกไปอีกแล้วก็เดินกลับไปนั่งพุงอือจุบนเก้าอี้หินตัวเดิม ถายมือไปอยังโต๊ะอาหารนั้นกล่าวมาด้วยเสียงอันดังว่าอ่ะต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเจ้าแล้วที่จะกินของเหลือเดนจากข้าหรือใครจะไม่กินก็ได้ข้าไม่ขัดขอบใจมากราศยะกความจริงท่านเป็นบุคคลที่เหมาะจะเป็นกรรษัตริย์มรกนครนี้มากซะยิ่งกว่าสิงหราผู้เป็นเชษฐาซะอีกนะดารินพูดยิ้มยิ้ม แต่ประโยคสุดท้ายนั้นโปรยาพิษลงไปในหัวใจของบุรุษผู้มักใหญ่ชนิดวางชนวนระเบิดเวลาเอาไว้ทำเอารหัสยะยิ้มร่าออกมาได้ทำไมนางจึงกล่าเช่นนั้นล่ะก็เพราะเราเห็นแล้วไงว่าท่านเป็นผู้กล้าหารกล้าแกร่งและเฉียบขาดกว่ากษัตริย์สิงหรามากนะ และอำนาจทหารทั้งหมดก็อยู่ในกำมือของท่านไม่ใช่เหรอออกศึกสงครามปราบเสียหนามแผ่นดินครั้งใดท่านก็ลงมือกระทําเองทุกครั้งผิดกับพระเชษฐาของท่านที่นั่งสบายอยู่บนบลัลลังคอยแต่ปรึกษาคนนนท์คนนี้อยู่ตลอดเวลาทําอะไรก็ไม่เสียบขาดผิดกับท่านมากรหัดสยะเอียงหูฟังอย่างสนใจในระหว่างที่ฝ่ายเฉลยทุกคนซ่อนยิม้ม <c oughs> เชษฐาพยักหน้าเรียกพักพวกของเขาทุกคน ให้เข้าร่วมวงกินอาหารอันโอชะซึ่งปรุงเป็นพิเศษนั้นดารินกับมาเรียหันไปเรียกจิตเซนกับกุตมะให้เข้ามาร่วมโต๊ะด้วยแต่ทั้งสองก็ปฏิเสธโดยสงบทุกถาดทองของอาหารเต็มไปได้วยรสชาติอันโอชะแต่ไม่มีใครในบรรดาคณะเจ้านายกินมากนักเพียงแค่อิ่มเท่านั้นสำหรับพวกพรานพื้นเมืองนั้ไม่ต้องพูดถึงต่างสวาปามกันเข้าไปเต็มคราบ เพราะเกิดมาไม่เคยพบและต่างก็อยู่ในภาวะอันหิวโหยทั้งสิ้นภายหลังเวลาอาหารผ่านไปแล้วกิตเสงก็ขออนุญาตให้นางงามผู้เชิญถาดอาหารเหล่านั้นเก็บอาหารออกไปส่งเกวียนซึ่งบรรทุกมาตามเดิมแล้วกล่าวขึ้นว่าท่านอาจพักผ่อนให้สบายอีกสักครู่ใหญ่พอตะวันคลอยก็จะได้เข้าเฝ้ากษัตริย์สิงหราส่วนข้ากับคณะโภชนอาหารเหล่านี้ ก็จะถอยกลับออกไปทูลให้ทรงทราบว่าแขกของพระองค์กินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วรับสั่งขอร้องมาด้วยอีกข้อนึงว่ากิตเสศนเว้นระยะไปครู่หนึ่งมองไปยังกุตมะซึ่งตลอดเวลานั่งสงบเหมือนฤาษีกุตมะนันชรามากละซ้ำยังเก็บป่วยไม่สมประกอบนะักหากเราท่านจะกรุณาไว้วางพระทัย ก็ขอตัวกุตมะกลับไปเพื่อพักผ่อนด้วยส่วนอุปราชรหัสยะอันเป็นพระอนุชานะ่ะท่านจะยังยึดไว้เป็นตัวประกันต่อไปอีกก็ได้ท่านจะว่าไรคำพูดของจิตเสนทำเอาฝ่ายเฉลยทุกคนต้องนิ่งคิดและมองตากันเองอยู่ไปมาเชษฐาพยักษ์หน้าเรียกดารินชัยยันระพินและมาเรียเข้ามารวมหัวซุบซิบกันนี่ทุกคนมีความเห็นยังไง ก็มีเหตุผลพอสมควรเหมือนกันนะที่สิงหาราจะขอให้เราปล่อยตัวกุตมะผู้ยังเจ็บป่วยอยู่แต่ยินยอมให้เราเอาเจ้าอ้วนนี่ไว้เพราะถึงยังไงกุตมะก็คงไม่สำคัญไปกว่ารหัสยะหรกจริงไหมครับพี่ใหญ่ดารินให้ความเห็นอ่ะปุกองอ่ะคุณเห็นยังไงจอมพรานนิ่งไปนานถ้าจะฟังตามเหตุผลของคุณหญิงก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ผมไม่กล้าลงความเห็นอะไรทั้งสิ้น เ ร, เรากําลังเล่นหมากรุกกระดานสําคัญอยู่กับสิงหราก็เอาเป็นว่าสุดเสียงข้างมากเลยครับมาเรียกช ย, ยันนั้นสนับสนุนเห็นด้วยกับความเห็นของดารินแต่เท่านี้ย่อมไม่มีความหมายสําหรับสิงหราไปกว่ารหัสรหัสเ ส, สยหรอกถึงจะยอมปล่อยตัวประกันสักคนที่มีความสําคัญน้อยกว่าอีกคนหนึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไรอีกอย่างหนึง่งการส่งอาหารมาเลี้ยงดูเราเป็นอย่างดี ก็แสดงให้เห็นว่าทาทีของสิงหาราสำหรับเราน่ะเริ่มอ่อนลงแล้วชัยยันว่าแต่สำหรับฉันยังไม่อาจไว้วางใจใดๆทั้งสิ้นเชิฐาผู้รอบครอบกระสิบกุตมะกำลังพิการความคล่องแคล่วว่องไวประจำตัวลดถอยไปนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้สิงหาราขอตัวเอาไปก่อนและในด้านสติปัญญาแล้วก็คงคิดที่จะพึ่งกุตมะ มากกว่ารหัสยะผู้เป็นน้องชายการขอตัวกุฎามะในครั้งนี้ก็คงจะเอาไปปรึกษาอะไรแน่นอนสําหรับรหัสยะนะพี่ชายอาจจะเชื่อฝีมือเพราะเห็นว่ายังแคล่วคล่องเป็นสิงหนุ่มอยู่ถึงได้ยอมให้เรายึดเอาไว้โดยอาจจะคิดว่าเมื่อความจําเป็นสุดยอดมาถึงรหัสยะอาจจะเอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใไขครวนกันให้ดีพี่ใหญ่ครับ ปัญหาสําคัญมันมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหะคือเราต้องตีให้แตกว่าระหว่างรหัสยะกับกุตมะใครจะมีความสําคัญสําหรับสิงหราเหนือกว่ากันคําพูดของมาเรียรทำให้อีกสามคนต้องใช้ความคิดหนักกุตมะนั้นเป็นแต่เพียงที่ปรึกษาฝ่ายทาหารส่วนรหัสยะคือพระอนุชาตําแหน่งอุปราชสิงหรา ย, ยอมให้เราเอาตัวอุปราชไว้เป็นตัวประกัน แต่กลับขอตัวที่ปรึกษาสำคัญเอาละพี่ตัดสินใจเองอุตมะจะสำคัญยังไงนะก็สุดแล้วแต่แต่เราถือเอาสายเลือดสำคัญกว่ากันแล้วกันสิงหราจะฆ่าน้องชายตัวเองได้ก็ช่างมันเชืฐากล่าวอย่างรอบคอบที่สุดแล้วหันไปทางผู้ที่เอ่ยนามถึงทั้งสองประกาศดังๆว่าอุตมะและรหัสยะทันได้ยินองการของกษัตริย์สิงหรา ที่แม่ทัพกิตาเส็ น, นมาบอกนี่แล้วไม่ใช่เหรอกุตมะเฉยเหมือนเดิมแต่รหัสยะพยักหน้ารับข้าได้ยินแล้วแล้วท่านมีความเห็นเช่นไรยินยอมจะอยู่เป็นตัวประกันให้เราต่อไปตามกระแสะรับสั่งนั้นหรือไม่ล่ะแน่นอนรับสั่งของพระเชษฐาของข้าย่อมเป็นประกาศสิบเมื่อท่านจะปล่อยตัวกุตมะไปก็ได้ ข้าก็จะอยู่แทนเองขอให้ข้าอยู่แทนเธอพระอนุชานั่นแหละควรจะกลับไปกุตมะเอ่ยเนิบเนิบขึ้นเป็นประโยคแร่แลดูเหมือนจะเป็นประโยคนั้นนั่นเองที่ทําให้เช่ถ้าตัดสินใจประกาศกับกจิตเสนว่าเป็นอันว่าเราจะทําตามพระประสงค์ของกษัตริย์สิงหาราคือปล่อยตัวกุตมะและท่าทั้งสี่คืนให้ไป เดี๋ยวขอยึดรหัสยสไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของเราแต่มีข้อแม่ประการหนึ่งข้อแม่อันใดจิตเสินฐานในฐานะที่บัดนี้ท่านก็บอกกับเราแล้วว่ากษัตริย์สิงหราถือเราเสมอด้วยแขกเมืองผู้ทรงเกียรติหาใช่เฉลยต่อไปไหมจนถึงกระสงโภชนาหารอย่างดีมาให้และพร้อมที่จะให้เข้าเฝ้า เราก็ขอให้ถอนทหารมาทั้งสามสิบคนที่รายล้อมตำหนักนี้กลับไปซะด้วยเพราะเราไม่มีปัญญาจะหนีไปไหนหรอกจะได้หรือไม่จิตาเสน ร, รองอยู่ครู่ก็ว่าไม่มีกระแสะรับสั่งมาด้วยเช่นนั้นแต่เอาเถอะเราจะตัดสินใจรับผิดชอบเองเปน็นน้นตกลงว่าจะสั่งถอนทหารที่รายล้อมตำหนักนี้ออกไปตามประสงค์ของท่านเพื่อท่านจะได้สบายใจขึ้น ดีมากนี่คือสัญญาณแห่งมิตรที่เราจะเริ่มต้นกันขึ้นชายันร้องออกมากิตเสนก้าออกไปยังประตูนหน้าแล้วตะโกนบัญชาก้องออกด้วยเสียงอันดังสั่งให้กําลังทหารม้าเหล่านั้นเลิกแถวสลายตัวออกไปมีเสียงของการเคลื่อนไหวอย่างเต็มไปได้ระเบียบวินัยอันดีพวกนั้นจะกระจายออกไปแล้วดักล้อมหรือสังเกตการที่ไหนอีกก็เป็นเรื่องของมัน ซึ่งฝ่ายฉเฉลยก็พอใจแล้วขอเพียงอย่าให้มาล้อมอยู่ใกล้ชิดเท่านั้นเอาละท่านเอากุตมะออกไปได้แล้วท่านหัวหน้าคณะสั่งอย่างพอใจจิตเสณพยักหน้ากับท่าผู้แบกเสลียงทั้งสี่ซึ่งก้าวเข้ามาประจําหน้าที่แล้วชั่วไม่นานร่างของขุนพลเท่ากุตมะผู้ลึกลับก็ถูกหามออกจากประตูตําหนักไป กิตเซนก้มศีรษะให้เชษฐาเราขอฝากอุปราชพระอนุชาไว้ในความดูแลของท่านด้วยขออย่าได้กระทำการใดๆให้เป็นการทำลายไมตรีของกรรษัตริย์สิงหราที่จะมีต่อท่านเพราะท่านก็ระนักดีแล้วว่านั่นคือองค์พระอนุชาวางใจเถิดกิตเสนถ้ารหัสยะอยู่กับเราในอาการสงบก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นท้งสิ้น และเราก็เชื่อว่าเขาคงจะเข้าใจอะไรดีไม่ทำอะไรให้เราต้องยุ่งยากใจแน่นอนแม้บางขณะเขาจะพูดไม่ถูกขูพวกเรานักมาแต่อีกนานสักเท่าไหร่เราถึงจะได้เข้าเฝ้าดารินถามจิตตเสียงยิ้มลพรพวกท่านพักผ่อนให้สบายเถิดภายในไม่เกินสายันนี้พวกท่านต้องได้เข้าเฝ้าแน่นอนและภายในตำหนักนี้ มีสระน้าสำหรับสงสนานน้ำใสยเย็นสะอาดเป็นที่มิชิตพวกท่านเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้ากันมามากแล้วจะอาบน้าผัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้สวยงามเพื่อเตรียมเข้าฟืงก็จะเป็นการดียิ่งสำหรับเราขอลาก่อนชั่วคราวอีกสักครู่จะมารับท่านอย่าลืมทูลสิงอะไรอีกครั้งนะว่าเราขอพระทยัยและยังยืนยันในความเป็นมิตรอยู่เช่นเดิม เชิดาร้องบอกมาเป็นประโยคสุดท้ายจิตเสนก้มลงโค้งคำนับเดินไปหยิบสายดาบกับหอกและมีดสั้นประจำตัวขึ้นมาคาดแล้วเดินลงบันไดไปโดดขึ้นหลังม้าที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วอึดใจต่อมาขบวนโภชนาหารซึ่งนำมาเลี้ยงเฉลยกุตมะบนเสลียงและจิตเสนก็เคลื่อนพ้นสะพานลับตาไป นะอุทยานแวดล้อมตําหนักแห่งนั้นก็เงียบสงบเป็นดุจสนีไม่มีเงาหอกของทหารมาโผล่เป็นกําแพงแซมล้อมอยู่รอบด้านเหมือนเคยฉเฉลยทุกคนมีความรู้สึกที่ปลอดโปร่งขึ้นเล็กน้อยเมื่อหันมาอีกครั้งก็เห็นรหัสยะกอดคนโทน้ำจันดื่มอยู่อย่างเป็นสุขบนแท่นหินทุกคนเริ่มรู้สึกปลอดโปร่งใจขึ้น พวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายพากันมองไปยังคนโทรน้ำจันทร์ซึ่งมีอยู่อีกสองสามคนโทรใหญ่ๆซึ่งตลอดเวลาที่รับประทานอาหารไม่มีคนใดของฝ่ายฉเฉลยแตะต้องเลยขณะนี้เมื่อต่างเห็นรหัสสยดื่มอย่างออกรสออกชาติเช่นนั้นก็ชักน้ำลายสออย่าว่าแต่พวกนั้นเลยช้ยยันเองซึ่งอดน้ำประเภทดีกรีมานานก็ยังกระหายขึ้นมายังบอกไม่ถูกแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้อง นอกจากจะฝ้ามองการดื่มอย่างเป็นสุขของรหั ส, สยะด้วยอาการกระหายอยากในที่สุดตาเท่าบุญคำผู้ขี่เหลายิ่งกว่าใครทั้งปวงในคณะก็เลี้ยงเข้ามากะลิมกะเหลียกับประพินและนายใหญ่นายไอที่อ้ว น, นมันซดเอาซดเอานั่นยังว่าใช่ไหมนายอืก็คงทางนองนั่นแหละทำไมจอมพรานย้อนถาม สมุนมือขวาของเขายิ้มแห้งๆกระเดือกน้ำลายลงคอบุญคําก็อยากจะลองมั่งสินายมันขนไม่เราหลายไหยทีเดียวตอนกินอาหารพวกเราไม่ได้ดื่มเจ้าพวกนั้นเลยนะนายนี่เลิกตะกรามสักทีได้ไหมบุญคําเราไม่รู้นะว่าเหล้าเป็นไหไหที่พวกนั้นขนมาให้มิเจตนาจะมองพวกเราหรือเปล่าและยังไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ว่ามันผสมอะไรอยู่บ้าง พิจากอาหารเหล่านั้นก็อาจจะเป็นเหล้านั่นก็ได้ที่มีอะไรซึ่งเป็นอันตรายต่อเราผสมอยู่ระพินพูดเสียงต่ำๆมองคนของเขาอย่างตำหนิบุญคำหน้าม้อยเฉฐานนึกสงสารพระรุนิสัยพวกนั้นดีจึงบอกว่าระพินผมคิดว่าถ้าเป็นเหล้าบริ ส, สุทธิ์โดยไม่มีพิษภัยอะไรเจือปนก็ควรจะให้พวกนี้มีโอกาสยอมใจกันบ้างนะแต่ก็มีกติกาอยู่ว่า อย่าให้ดื่มกันจนเมามายเอาเพียงแค่หอมปากหอมคอเท่านั้นละกันบุญคํายิ้มออกมาได้บนออกมาดังๆว่าแหมนายใหญ่นะ่ยใจดีกว่านายของบุญคําเองแยะยังนี่ไอ้คาขอกราบที่แทบเท้าเลยละนายจอมพรานมองดูหน้าสมุนของเขาอย่างรําคาญใจพอได้ยินชายยันสนับสนุนใหม่คนหนเขาก็เดินตรงไปที่รหัสยะรหัสยะ เหล่าของท่านนะ่ะคงจะมีรสชาติน่าดื่มมากสินะเขาพูดเรียบๆ ร, รหัสยะบัตรนี้หน้าแดงตำหัวร่อร่าทุกสิ่งทุกอย่างของมรกตนครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตราชธาน ล้วนแต่เป็นสิ่งวิเศษเลิศรสทั้งสิน้นเช๋อเลยเช๋อเลยสายเชิญท่านดื่มกินกันในสำราญพวกเราก็นำมาเลี้ยงดูท่านอย่างเต็มที่แล้วแต่ไม่เห็นมีใครแตะต้องนี่ระพินเดินไปหยิบคนโทอีกใบหนึ่งขึ้นมาดมกลิ่นมันเป็นเหล้าประเภทสาโท หรือมิฉะนั้นก็เหล้าหมักแบบกระแช่มากกว่าจะเป็นพวกเหล้ากลั่นกลิ่นหอมชวนลิ้มอยู่ไม่น้อยสำหรับนักเลงคอสุราทั้งหลายเขาถือคนโทรใบนั้นมาส่งให้ราษยะราศยะเราขอเศษเหลือเดนเหล้าในคนโทที่ท่านดื่มนั่นเถิดสำหรับท่านนะควรจะดื่มจากคนโทรใบใหม่นี่ซึ่งยังบริบูรณ์เต็มอยู่ รวยาพิษข้ารู้ได้สิจะเป็นไรไปเอา้าเอาคนโทรที่ค่ะกําลังดื่มอยู่นี่ไปข้าจะดื่มจากคนโทรใหม่ก็ได้จะได้พิสูจน์ให้ท่านเห็นจะได้พิสูจน์ให้เห็นไงว่าเราไม่มีอุบายอะไรแอบแฝงอยู่ในอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้ทั้งสิน้นกล่าวแล้ว รหัสยาก็รับเอาคนโทรที่ระพินยื่นส่งมาแลกโดยส่งใบที่ตนเองกอดอยู่ไปให้แล้วยกขึ้นดื่มอย่างสบายอารมณ์จอมพรานโยนคนโทรใบที่แลกได้มานั้นลอยไปให้บุญคำอย่างรวดเร็วเหมือนจะแกล้งให้ตกเส้รู้แล้วรู้รอดตาเท่ารองสุดเสียงอย่างตกใจกระโดดขึ้นรับไว้ได้อย่างใจหายใจความโทนายหนอ น, นายจะแกล้งไม่ให้บุญคำกินมั่งหรื อ, อยังไง แกร้องแล้วก็ฮิ้วไปกลางวงพวกนั้นพากันยิ้มย่องผ่องใสหรือย่ามหลังเอาถ้วยพลาสติกประจำตัวออกมาริงแจกจ่ายกันดื่มกินเป็นที่ครึกครื้นสนุกสนานโดยมีช้ยันกระโดดเข้าร่วมด้วยแล้วรินเอามาส่งให้เชษฐาทดลองดูท่านหัวหน้าคณะยกขึ้นดมดมและจิบเข้าไปเล็กน้อยรสชาติของมันหวานปะแลมระคนขม พอตกถึงท้องก็ร้อนจ้าด้วยดีกรีสูงมาเรียกระดกลิ้นสีชมพูออกมาเลียริมฝีปากพอบุญคำถือถ้วยพลาสติกเอามาส่งให้ก็เอื้อมมือจะไปรับแต่รพินปัดมือเฉไปจะน้ำเมากระชกเมอย่าบ้าไปตามพวกนั้นหน่อยเลยคุณกำลังจะมีลูกไปเดี๋ยวแทงเราไม่รู้นะว่าดีกรีมันแรงสักขนาดไหนในห้องขวามือนี่เป็นห้องสาหรับอาบน้าอย่างมิชิ ด, ดีที่สุด เอาเ น, นว่าคุณกับคุณหญิงน่าไปอาบน้ำอาบท้าปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแล้วก็พักผ่อนให้สบายดีกว่าผมจะนั่งเฝ้าปากทางนี่ไว้ให้เองไม่จะอ้วนนั่นมันพรวดพลาดเข้าไปในระหว่างที่คุณทั้งสองคนกำลังอาบน้ำอยู่มาเรียรยิ้มกร่อยๆแล้พยักหน้าอย่างว่าง่ายหันไปชวนหมอดารินผู้บัตินี้กำลังมองนิ่งๆมายังเขาพร้อมกับเอียงคอ ฉันขอลองดื่มน้ำเมาของราชฐานกรุงมรกรนี้มากงได้ไหมเจ้าคะท่านพรานก็ข อ, ขอเชิญที่ขอรับกระผมถ้าอยากจะสนุกกับพวกนี้ด้วยก็ตามใจระพินว่าแล้วเดินนำหน้ามาเรียไปชี้ห้องสงสนานให้ดูดาริงคอนิดหนึ่งหันไปคว้าเครื่องหลังประจำตัวพลางเดินตามแม่เพื่อนสาวต่างผิวเข้าห้องน้ำไป รหัสสยะตะโกนโบกเวกรร้องเชิญชวนให้เฉลยทุกคนมาร่วมดื่มด้วยพร้อมกับหัวร่อราอยู่ตลอดเวลาคงมีแต่เชิฐานและระพินเท่านั้นที่อยู่ในอาการสงบสํารวมและระวังตนอยู่เหมือนเดิมนอกนั้นก็ดื่มกันอย่างไม่อัน้นแต่ก็เริ่มจะเพลาวลงเมื่อเชษฐาเดินเข้ามาบอกว่านี่ระวังอย่าให้เมานะไม่งั้นหัวอาจจะขาดโดยไม่รู้ตัวล่ะ ขยันเริ่มตึงๆหน้าและมีอารมณ์คลึกครื้นขึ้นทำท่ารวนหาเรื่องจะเตะรหัสสยาให้ได้ร้อนถึงเช็ดทาต้องกระชากคอให้ออกไปอยู่ห่างมุมหนึ่งแต่ยังนั้นก็ยังไม่ไวายรองท้าเยงเยงนี่รหัสสยามมาสอนให้เราฟันดาบหน่อยไม่ได้เหรออ้อได้สิเจ้าค้นปากกล้าหยิบดาบของเจ้ามาเริ่มหนึ่ง แล้วทรงดาของข้าคืนมาเราจะสอนให้รหัสยะตอบมาเสียงออแอะหัวรอไปพลางรพินต้องปรีเข้ามาขวางไว้รหัสยะสหายของเราน่ยเพียงแต่พูดเล่นกับท่านชั้นมิตรเท่านั้นขอท่านอย่าได้ถือสาคิดเป็นอื่นเลยขณะนี้พวกเราและท่านก็ล้วนมีอารมณ์ดีอยู่ด้วยกันแล้วอย่าให้เกิดเรื่องไม่บังควรอันใดขึ้นเลย รหัสยะยิ้มมุมปากยักไหลมองดูชั ย, ยันอย่างไม่กินเส้นเป็นพิเศษแต่ก็ไม่กล่าวอะไรอีกถอยไปนั่งบนเก้าอี้ตัวเดิมเฉษทาชี้หน้าสาหายของเขาซึ่งทำเป็นเมาดิบอารวาดอยู่นี่ชั ย, ยนันอย่าทำเรื่องที่กำลังจะไปได้ดีกลายมาเสียขึ้นเพราะแกนะนี่้าหายังไม่ฟังประเดี๋ยวฉันจะฟ้องเมแล้วก็ทุกคนนั่นแหละหยุดดื่มได้แล้วพอกันที ประโยคหลังท่านหัวหน้าคณะหันไปตวาดพวกพรานพื้นเมืองซึ่งทำท่าจะติดลมพระฤธิ์เล้าหมากักบุญคำกับขยินมีท่าออยอิงเสียดายและฉวยโอกาสดื่มกันอีกคนละอึกใหญ่ก่อนที่เสยจะเ ย, ยนินคุณโทรบรรจุน้ำเมาออกไปทางหน้าต่างของตำหนักโดยคำสั่งอันเฉียบขาดของระพินครั้นแล้วอยู่ๆ อ, อุปราชพระอนุชาก็ถามขึ้นมาลอยๆว่าพวกท่าน เอาศัตรูของเราไปซ่อนไว้ที่ไหนสำเนียงนั้นไม่ส่อสักนิดเดียวว่ารหัสยะจะมึนเมาจนคลองสติไม่ได้เว้นแต่จะเสียสะเชษฐาเดินเข้าไปนั่งยังเก้าอี้ตรงข้ามกับอุปราชพระอนุชาก็ท่านละ่ะรหัสยะพวกท่านเอาน้องชายของเราก็พรานนำทางไปเก็บไว้ที่ไหนท่านจะได้คําตอบนี้เอง เมื่อท่านได้อยู่เฉพาะพระพักของกษัตริย์สิงหราฉะนั้นเราจะตอบคาถามนี้เมื่ออยู่เฉพาะหน้ากษัตริย์สิงหราเหมือนกันรหัษยะไม่กล่าวเช่นไรอีกนอกจากจะมึนอย่างหนักแล้วนั่งมองหน้าเชิดฐาเฉยส่วนท่านหัวหน้าคณะก้องงัดเอาซิก้าที่อุตสาทนอมเก็บงำขึ้นไว้มาดัดแบ่งเป็นสองท่อนโยนส่งให้ละพินท่อนหนึ่งเขารับไว้ต่างคน ต่างจุดสูบไม่นานนักทั้งสองสาวดารินกามาเรียก็ผองใสสดชื่นออกมาจากห้องอาบน้ำทั้งสองแช่น้ำและขัดสีฉวีวันกันอย่างชํำใจและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชุดใหม่ที่มีไว้สำหรับผลัดเปลี่ยนสำรองดูสะอาดหมดจดขึ้นทั้งสองหญิงบอกให้เชิถาชายันและระพินเข้าไปอาบน้าบ้างโดยจนจะรับหน้าที่ผลัดยาม ดูแลเฝ้า อ, อุป ร, ราชพระอนุชาไว้ทั้งเฉิดฐาและชยันรีบฉวยโอกาสนั้นอย่างเต็มใจแต่จอมพรานคงนั่งสงบอยู่ที่เดิมของเขาพวกรานพื้นเมืองก็เช่นกันไม่มีใครสนใจเรื่องการอาบน้านักเพราะเคยชินซะละทั้งหมดพักผ่อนสงบสติอารมณ์เพื่อใช้สมองเตรียมหาลูกทางอยู่อีกประมาณสองชั่วโมง ก็แวววเสียงกองมาควบเหาะเข้ามาในเขตอุทยานใกล้ตำหนักที่พักเมื่อต่างออกไปดูที่ปากประตูทางเข้าก็เห็นจิตาเสนขี่ม้านำทหารจำนวนประมาณ30คนตรงเข้ามาด้วยอาการอันเป็นปกติทุกคนประสาตื่นพร้อมอีกครั้งพวกพลานพื้นเมืองซึ่งอิ่มหนำด้วยสุราอาหารนอนพักกันอยู่อย่างสบายก็พลันลุกขึ้นอย่างกระปรี้กระปร่าโดยไม่ต้องเตือน ไม่มีใครแสดงอาการว่ามืนเมาเลยสักคนเดียวนอกจากจะยิ่งแข็งขันเต็เมบริพลักําลังยิ่งกว่าเดิมกองม้าเหล่านั้นหยุดหยุดไลาสะพานฝั่งตรงข้ามคงมีแต่เพียงจิตเตอเซนเพียงผู้เดียวที่เดินมาข้ามสะพานเข้ามาหยุดยืนอยู่ยังเชิงบันไดาทางขึ้นครั้งนี้เขาไม่ได้ลงจากหลังมาหากแต่ตะโกนขึ้นมาว่าแบบนี้ ถึงเวลาที่ท่านจะได้เข้าเฝ้ากษัตริย์สิงหาราขอให้เตรียมพร้อมและเคลื่อนจากตำหนักได้เรากำลังรออยู่แล้วเชี่าก็สั่งคนของเขาหนักบัดนั้นเตรียมตัวเราจะเคลื่อนย้ายจากที่นี่เดี๋ยวนี้ผ่านพื้นเมืองทั้งหมดตรงไปที่กองสัมภาระยกขึ้นหาบคอนตามหน้าที่ของตน เท้าคว้าดาบของรหัสสยะที่ยืดขึ้นมาถือไว้รพินเดินเข้ามาแตะไหลอุปราชพระอนุชาผู้ยังนั่งเป็นสง่าอยู่บนเก้าอี้หินทำสัญญาณโดยไม่ต้องพูดให้ลุกขึ้นรหัสสยะจึงลุกขึ้นยืนโดยดีและก้าวเดินอยู่ใจกลางวงล้อมของกลุ่มเฉลยทั้งหมดโดยมีปากกระบอกปืนของชายันจี้สะกดหลังจำไว้ดีนะรหัสยะ อดีตนายทหารตุนใหญ่พูดลอดริมฝีปากออกมาแผ่วเบาแต่เป็นการเป็นงานอย่างแท้จริงปราศจากแววเล่นท่านจะอยู่ในฐานะตัวประกันของฝ่ายเราตลอดระยะทางที่เราทั้งหมดถูกทหารของท่านคุมไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนี้อันสอว่าจะเป็นภัยกับฝ่ายเราท่านจะถูกฆ่าก่อนคนอื่นทั้งสิ้น อุปราชพระอนุชาแค้นยิม้มพยักหน้าช้าๆย่างเข้าใจก็แล้วเมื่อไรท่านถึงจะคืนดาบและปล่อยเราให้เป็นอิสระเสถทีแล้วเมื่อเราทั้งหมดเข้าไปเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักของกษัตริย์สิงหราแล้วนั่นแหละเราจะคืนดาบและปล่อยตัวท่านเป็นอิสระแต่ไม่ใช่ก่อนหน้านั้นฉเฉลยทั้งสิบเอ็ดคนพร้อมด้วยตัวประกัน อันถูกแวดล้อมอยู่ใจกลางเคลื่อนขบวนลงจากตำหนักที่ทักรพินโบกมือให้แม่ทัพกิตาเสนขี่ม้านำหน้าข้ามสะพานไปก่อนพร้อมทั้งสังเกตดูท่าทีทาหารมากองนั้นอย่างระมัดระวังแล้วก็ค้นพบด้วยความสังเกตอันรอบคอบของเขาว่าทุกคนของทาหารมาเหล่านั้นแม้จะติดอาวุธครบเต็มอัตราสึกก็จริงแต่หอกส้นประจําตัวบัดนี้เสียบเข้าฝัก อยู่ในแผงข้างอ่านมาและธนูก็สะพายอยู่กระไลในมือของทหารเหล่านั้นไม่ได้ถืออาวุธคงกุมบางเหียนมาไวทั้งสองมือแสดงให้เห็นว่าไม่ได้พร้อมที่จะเข้าจู่โจมเมื่อายฉเฉลยและตัวประกันข้ามสะพานไปถึงทหารกองนั้นก็แยกขบวนออกเป็นช่องขนาบทั้งหมดไว้ใจกลางจิตเสงจูงม้าเปล่าตัวหนึง่งไม่ได้ติด อ, อาวุธ มีอาการเหมือนจะนำมาให้รหัสยะขี่แต่เชษฐ้าบกมือไล่ให้นำมานั้นออกไปซะอุปราชพระอนุชาจะเดินไปพร้อมๆกับพวกเราทุกคนเอามาตัวนั้นออกไปซะกิตเซนิตเซนช ง, งักและปฏิบัติตามคำสั่งนั้นแต่โดยดี